เห็นน <Ooh. S 2> ้ำท<ส>ี่มันไหลไปไหลไปมันไหลเรื่ไยมมันไหลเรื่อยไปอย่างนั้นมันเป็นกระแสที่ไหลไปตลอดเวลาเห็นน้าแล้วเอามาคิดเพื่อสอนใจเราได้บากเหมือนกันเอามาสอนใจว่าอ๋อชีวิตเราก็เหมือนกระแสน้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไหลไปไหลไปตามเรื่องของมันไม่มีไหลกลับเลยอันนี้ของอะไรต่างๆในชีวิตเราก็เหมือนกระแสน้า มันไหลไปเงินมาแนละ้วก็เงินไหลไปเทียตียตยมานะมันก็ไหลไปทําชมมาหายไปเกินใครมาถึงมว่าแม้คุณนี่แม่มีบุญจริงๆเนี่ยก็มาชมเราอย่าไปเที่ยวหลงนะไปยึดถือคําชมว่าเป็นตัวเป็นตนคําด่าก็เหมือนกันขอดา่าเราไปยึดมันก็เดือดร้อนใจเพราะงั้นเราจรึงไม่ควรจะไปยึดในอะไรว่าเป็นถาหมดให้นึกแต่เพียงว่า มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป